เราปฏิบัติมาจิตก็สงบตามสมควรจิตสงบพอสมควรทวนที่รับการอธิบายขยายหลักธรรมให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและปล่อยวาง ความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้เราเอาจิตที่สงบแ้วเนี่ยไปพิจารณาพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณากาย เยาะกายยคตาสติมีสติเป็นในกายพิณาเวทนาคือความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์กายเวทนากิตเดินพิจารณาใจของเราว่ามันยึดมัน่นถือมั่น หรือมันปล่อยวางได้แล้วเราก็พอจะรู้ได้พิจารณา ร, รมคือกิเลสทั้งหลายมีนิวรณ์ห้าเป็นต้นเป็นเครื่องกลางกั้นกิดไม่ให้บรรลุความดีได้ชิดงวงเงาหา้าวนอนอะไรต่างๆเรามีอยู่ไหม ถ้ามีอยู่ให้แก้ไขนี่แหละพิจารณากายก็คือพิจารณาตัวตนของเรานี่ยแหละตัวตนคนหนึ่งหนึ่งก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่ารูปรูปก็คือร่างกายของเราพิจารณากายนี้ให้เห็น หเห็นความจริงเห็นความจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นห น, นาา้าตาพินากายก็แยกแยะส่วนต่างๆของกายออกจากกันแยกออกรูปกาย น, นี้ประกอบด้วยธาตุสี่ ดินน้ำลมฝ่ดินอันประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้าม ตาปอดใจใหญ่ใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าตลอดถึงสมองศีรษะกายเหล่านี้ไม่เที่ยงผมก็ไม่เที่ยงคนก็ไม่เที่ยง เด็บฟันหนังเนื้อไม่เที่ยงสักอย่างเกิดขึ้นได้กระดับได้แตกสลายไปได้ไม่มีอะไรคงทนถาวรแน่นอนอยู่ให้คิดดูแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเราเป็นหนุ่มเป็นสาวผมยังดำแต่พออายุห้าสิบหกสิบขึ้นไปเริ่มแล้ะ เริ่มมีผมขาวแล้วถ้าแปดสิบเก้าสิบกว่ขาวทุกเส้นเลยนั่นแหละนี่ก็ความไม่เที่ยงเหมือนกันเรายึดถือตรงไหนว่าเป็นตัวของเราเราก็ยึดไม่ได้เพราะมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติของมันนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไป เราจะเห็นชัดลงไปเลยว่าในตัวตนของเราเนี่เต็มไปด้วยของไม่กี่หลังยั่งยืนเราอาศัยบันทามความดีอาศัยบันทามความชั่วเพื่อเสกกายนี้ทำดีทำชั่วนี่เรียกว่าส่วนรูปกายยังไม่หมดเท่านี้หรอก ส่วในรูปกายนี้น้ำดีน้ำเสล็ดน้ำเลือดน้ำลายเปลวมันน้ำมูกน้ำมูดน้ำเหลืองน้ำเลือด ก็อยู่ในกายของเรานีลมก็อยู่ในกายนี้ลมพัดขึ้นเบื้องสูงลงพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออก ไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้เราร้อนไฟเผาอาหารให้ย่อยไฟเผาร่างกายให้สุดโสมมีอยู่ในรูปอันนี้อีกส่วนหนึ่งคือเป็นนามนที่เราเรียกว่าใจนกายใจ มีสองอย่างเท่านี้แหละมีกายกับใจใจเป็นผู้รับรู้เรื่องต่างๆเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมจมูกด้วยกลิน่นลิ้นลิมลิกายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ ให้พิจณาลงไปพิจนาไปในพิจรณาที่ตัวเรานี่เองพิจรณาลงไปในตัวเรานี้ตัวเรานี้มีสิ่งเหล่านี้อยู่มันมีเกิดขึ้นในเบืองต้นแก่ในถ้มกลางดับสลายไปในที่สุดไม่มีใครเอากายนี้ไปสวรรค์ได้ ไม่มีใครเอาเนื้อหนังมังสาไปพะนิพานด้วยคือมันไม่มีคนเอาไปได้เกิดอยู่ในโลกก็แก่เก็บตายในโลกนี่แหละมีแต่จิตวิญญาณของเราเท่านั้นที่ไปที่ไปสู่ภพภูมิต่างๆไม่เป็นเทวาดาวเปดินผมก็ตามหรือว่าเป็น สันิศาสนเปทสุรกายก็ตามใจแล้วแะเป็นผู้ไปไปเกิดในภูมิไหนพบไหนอีกต่อไปสุข ก, ก็มีทุกข์ก็มีลำบากลำบุเพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาว่า ต, วตัวตนของเรานี้มีเกิดขึ้นเบื้องต้นแกิในถ้ำกลางดับสลายตายไปในที่สุด ไม่ลงเรลืออยู่ในโลกนี้ได้เป็นพันปีหมื่นปีอย่างดีเจ็ดสิบแปดสิปีเก้าสิปีร้อยปีไปแล้วร้อยปีหายยากมากตัว น, นี้เจ็ดสิบแปดสิก็ไปแล้วพารณาเข้ามาที่ตัวเร า, วาตัวเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างเก็บใครได้ป่วยพ่อก า, กายจกบใครได้ป่วย ใจก็เป็นนิต ก, กังวลด้วยมันไปนยิไปถือเลยไม่สำคัญนั่นหมายที่กายของแต่ละคนให้พิจารณาลงไปว่าเป็นของไม่เที่ยงกายเป็นของไม่เที่ยงใจเป็นของไม่เที่ยง มีความเสื่อมสลายตายไปในที่สุดมันกันหมดไม่เที่ยงไม่คงทนถาวรไม่แน่นอนไม่อยู่คงที่มันเกิดได้มันก็ตายได้ดับสลายไปได้ในที่สุด กายนี่แบบไฟแตกไฟแต่ใจก็ยังสืบต่อบุญบาปที่เราทําไว้ไปเกิดในภพภูมิใหม่อีกต่อไปมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างในภพภูมินั้นๆ น, น, นี่แหละท่นันงให้พิจเอนาพิจารณาเข้ามาที่ตัวตนของเรานี่แหละพิารณาเห็นความไม่เที่ยงของมัน พิ่าาให้เห็นว่ามันทนอยู่ไม่ได้คือเราเป็นทุกข์ทุกข์เนี่งทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ให้ดูตั้งแต่ข้อออกมาจากคันมันด่ากับปัจจุบันนี้มันต่างกันไหมนั่นร่างกายก็จะเลืนขึ้น่อใหญ่ขึ้นไปตามลาดับในสุดก็แก่ง่อมไป เปรียบเทียบดูให้เห็นชัดเลยว่าโอ้โลกกระถาดอันนี้มันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์เป็นทรมานป่านี่ตัวนี้นี่แหละให้พิจนาเข้ามาที่ตัวเราให้เห็นเป็นอนัตตาอนัตตาคือ ความไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ยึดถือเอาไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของเราไม่ได้ว่าเป็นของของเราไม่ได้ยึดถือไม่ได้ว่าอันนี้เราคือของเรามันก็ไม่ใช่แขนเป็นของเราก็ไม่ใช่ขาเป็นของเรา มันก็ห้ามไม่ฟังนะอย่าเก็บขานะมันก็เก็บนั่งนานๆโอ้ยเก็บขาลาอูยเจ็บเจ็บเจ็บเจบเจ็บเก็บขาเก็บขาจะนี้ก็ไม่ได้มันได้ขึ้นหลังเสือแล้วเราก็ต้องอดทนนะเก็บก็อดทนเอาโอ้ยเก็บเก็บหลังก็เก็บเก็บกดก็เก็บเก็บขาก็เก็บ เก็บ huh. ตรงนั้นเก็บตรงนี้โออาจารย์ก็เทศนานเหลือเกินทั้งวันเดี๋ยวเอาเรื่องนั้นมาเทศได้ฟังเดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาเทศได้ฟังทั้งฟังทั้งเมื่อยทั้งเก็บทั้งปวดเป็นนั้นเป็นนี้โอ๊ยทรมานความเกิดความแก่ความเก็บความตายมันมีอยู่ กับทุกทุกคนดูแต่บรรพบุรุษของเราปู่ย่าตาทวดไปหมดแล้วไม่เหลือสักคนเลยปู่ทวดย่าทวดยายทวดตาทวดไม่เหลืออยู่แล้วไปหมด ให้พิจนาเข้ามาที่ตัวเราว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงเวลานี่แหละให้พิจนาเข้ามาเห็นส่วนต่างๆของร่างกายอันประกอบด้วยธาตุด้วยขันธ์อันนี้ให้พิจนาให้เห็นทุก ดูเห็นความไม่เทียงแท้เห็นความไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้เราต้องพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราเมื่อพิจารณาให้เห็นเข้ามามันก็ต้องปล่อยวางได้สักวันหนึ่งเห็นไหมญ า, าติของเรา ตายแล้วมีปู่ทัวดยาทั่วไปทวดตายแล้วหรือตัวเราก็เหมือนกันตายแล้วเขาไปไว้ที่ไหนเขาก็าไว้ป่าชาแต่ก่อนมีป่าชาบ้านหนึ่งต้องหาที่ไว้สำหรับเผาคน เป็นช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าป่าชา้าแต่ไม่มีป่าเร็วนะมีแต่ป่าชา้าที่ใส่ว่าป่าช้าก็เพื่อให้มันนานน่ยช้านานแปดสิบเก้าสิบปีค่อยตายตายแล้วก็เอาไปป่าชา้า พอไปอยู่ป่า้าก็เขาก็เผาเผ า, เาร่างกายนี้เผาเผาด้วยฟืนด้วยไฟเมื่อเผ า, เาแล้วอะไรเหลืออยู่ล่ะ มีอะไรเหลืออยู่หนังเหลืออยู่ไหมเนื้อเหลืออยู่ไหมเอ็นกระดูกเหลืออยู่ไหมแม้กระดูกเองก็เป็นเท่าเป็นฐานเป็นเท่าเป็นฐานก็ลองพิจารณาดูต่อไปเท่าฐานนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะสลายไปเป็นดินเป็นอะไรไป แต่ถ้าเราเอามาทำกรรมฐานเรือมาบทให้ดีบทให้ละเอียดกระดูกเลยเท่าฐานเหล่านั้นนู่กันบทให้ละเอียดหมดเลยตัวตัวอันนี้เป็นเท่าเป็นฐานเป็นฝุ่นแล้วอันนี้เป็นฝุ่นแล้วจะทำไงแบบนี้ เอาฝุ่นคือตัวตนของเรานี่แหละที่เราหลงหลงถือตลอดกับตลอดกันนี่แหละว่าเป็นตัวของเราของเรานี่แหละเอามานะก็รวมกันบดให้ละเอียดหมดเลยบดละเอียดแล้วก็โยนขึ้นฟ้าใส่ถาดโยนขึ้นฟ้าเลยควนขระมง ตัวเราไปอยู่ไหนวันนี้เป็นฝุ่นไปหมดแล้วนี่แหส ก, กายเอิสีความยึดมัน่นถือมันในกายสลายไปแล้วแต่ก่อนเราของเราของเราจริงๆก็ส่อ ง, งของเราสมุทรโลกสมุทรโลกัลกนที่พระพุทธเจ้าบญรยาย ก, นกันนี่สมุทรโลกนี้กายนี้กายของเรานี่สมุทรโลก แขนก็แขนของเรานั่นแหละอะไรอะไรก็ของเราอันนั่นแหละอันนี้เป็นสมมุติโลกคือสมมุติว่า น, นี่คนว่า น, นี่สัตว์สมมุติแต่บัญญัติธรรมบัญญัติธรรมว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนา ต, ตา ที่ว่าเป็นตัวเป็นตนก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นะตามดยึดเอาไม่ได้เลยเราอย่าคิดด้วยสมองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราพิจารณาความจริงพิจารณาความจริงให้เห็นเป็นของไม่กีหลังยัางยืน เป็นของที่ต้องแตกสลายตายไปในที่สุดสังขารทั้งหลายทั้งผัวมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสังขารเหล่านั้นมีความหนับไปเป็นธรรมดาอย่างสลาที่เราเห็นอยู่นี่อีกพันปีข้างหน้านี่ไม่รู้อ่าไหนจะไปยังไงเออที่เราทำไว้ถ้าเรามาปฏิบัติรมเอาบุญเอากุศลได้มักได้ผลได้พระนิพพานอย่นี้ อีกพันปีข้างหน้ามันจะเห็นอยู่อย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างกุฏิวิหารที่สร้างไว้เนี่ยอีกพันปีข้างหน้าร้อยปีข้างหน้าเนี่ยก็สุดโทมเต็มที่แล้วแม้แต่กุฏิก็เหมือนกัน้าราสังขานทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตา ไม่มีตัวตนที่เราจะเ้าไปยึดถืออะไรในที่สุดก็แตกสลายไปตามการตามเวลาดูแตกกษัตริย์งไงกษัตริย์ก็เพียบพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งวัตถุสมบัติทั้งสิ่งของนันนี่ต่างๆมีหมด ร่างกายของพระองค์ก็มีแต่กษัตริย์เหล่านั้นเพียบพร้อมด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์เครื่องลบเครื่องต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเมืองเพื่อรักษาบ้านเมืองไว้กษัตริย์เหล่านั้นมีหมอมีพยาบาลเพียบพร้อมแต่ป่านั้นก็ยังตายไปในประวัติศาสตร์ไทยของเราลองดูสิ เอาตั้งแต่พระรามคำแหงมหาราดนะรามคาแหงมหาราดสวนาคตคบทดต่อมากษัตร์อายุทยาก็หมดไปแล้วต่อมาสัตว์ภูเท็มหานครหรือพระภาคกลางเนี่ย ราชวงศ์จากกีนี่ดูสิกษัตริย์องค์ไหนพระองค์ที่ยังอยู่พระเก่งก้าสามารถปกป้องบ้านเมืองไว้ได้แต่ในที่สุดก็ต้องตายไปแม้่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราปัจจุบันนี้พระองค์ก็มีอายุมากแล้วแปดสิบจะเข้าเก้าสิบอยู่แล้ว ดูสิทุกอย่างนี่เป็นของที่ควรกำหนดดูทั้งนั้นไม่ว่าวัตถุกรมหรือกิเลสกรามกิเลสเป็นเหตุให้เรายึดมั่นถือมัน่นเราโลภเพราะกิเลสไม่ใช่ตัวเราโลภโลภเพราะกิเลสพอมีกิเลส กิเลสคืออะไรเครื่องทำใจให้เศร้าหมองเรียกว่ากิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงโลภโกรธหลงเหล่านี้เป็นกิเลสโลภก็เป็นกิเลสโกรธก็เป็นกิเลสหลงก็เป็นกิเลสเรามายึดมัน่นถือมั่นในตัวตนนี่ก็เพราะกิเลสนั่นแหละ ให้เรายึดมั่นถือมัน่นถ้าไม่มีกิเลสจะยึดมัน่นตรงไหนใครจะเป็นผู้ยึดมัน่นพระอรหันต์ก็วางหมดนะตายท่านก็ไม่กลัวพอรู้แล้วรู้ชัดแล้วแต่พวกเราตายเราก็กลัวเหมือนกันกลัวตายเหมือนกันแต่พระอรหันต์ไม่กลัวตา ย, ก, ตา ก, ตายก็ตายรู้แล้วรู้ชัดแล้ว ว่ายังไงกายนี้ก็ต้องตายแน่นอนไม่คงทนอยู่ได้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนได้มันต้องแตกสลายไปในที่สุดมดเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน่าตายมันแตกสลายไปได้เราอย่ า, ราประมาท ว่าเราต้องรอให้แก่เท่าเสือก่อนอายุร้อยปีก่อนเขาค่อยมาปฏิบัติธรรมเหมือนคนป่วยคนหนึ่งพวกลูกหลานชวนให้ทำบุญอาจจะมีเครื่องด้วยมีสมบัติทิพย์ไปด้วยเขาก็บอกว่าเขาหายเสียก่อนเขาต้งจะจไปใส่บาตรเขาจึงจะจทำบุญโอ้ยป่วยโรคมะเร็งมันจะไป หายได้ยังไงมิตรมนตะตายเน่ยนั่นแหะหายเสียก่อนนูเขาจะทําบุญแล้วกันล่ะสุดกันแค่นั้นอันนี้โฟดไม่ได้เพราะไม่เข้าใจในอัตในธรรมไม่เข้าใจในสิ่งความเป็นจริงไม่เข้าใจว่าโลกนี้โลกหน้าเป็นยังไรสวรรค์เปกังไหสัตว์นรกเป็นยังไงไม่รู้จัก ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะไม่มีกัลยะาณมิตรไม่มีเพื่อนที่ดีคอยตักเตือนหรือบอกกล่าวสังสอนหรือแนะนำช่วยเหลือให้เป็นคนมีศรัทธามีศีลมีการบริจาคมีปัญญาไม่มีท่านเหล่านี้นี่คือธรรมะ ให้มีฐานให้มีศีลให้มีภาวนาให้มีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกัรยาณมิทก็ชักชวนไปในทางดีทักชวนไปในทางเจริญเหมือนเราจะมาเดี๋ยวนี้ก็เป็นกัรยานนิทของทุกท่านที่มาปฏิบัติก็ให้คําแนะนําว่าร่างกายสังขารนั้นนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้อย่าประมาท เราไม่รู้วันตายว่าจะตายวันไหนจะตายด้วยวิธีไหนเราก็ไม่รู้เรารู้แต่ว่าเรามีชีวิตอยู่หายใจเข้าออกได้อยู่สุขภาพร่างกายก็พอทนได้อยู่นี่คอยตักเตือนช่วยเหลือแนะนำคำสอนให้รู้จักทาง แห่งความพ้นทุกทางไปพระนิพานทางไว้เพื่อความหลุดรอดจากกองทุกทั้งพวงจากกิเลสทั้งพวงนั่นเองกิงกเลสเที่ยวมาครอบครองใจเราตัวเราอยู่นี่มันไม่ได้หมดไปง่ายๆถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมได้ไปได้ง่ายมองเห็นทางพ้นทุก ปฏิบัติตามก็บรรลุมากผลนิพพานไปได้จริงๆพ้นทุกข์จริงๆไม่ต้องทุกข์ที่ว่ากลับมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายในวตาอนี้อีกเพราะว่าแต่สงสารเป็นของไม่รู้จักจบจักสิน้นเกิดมาแล้วนานแสนนานกว่าจะได้ฟังธรรมกว่าจะได้ปฏิบัติธรรมจนอายุของเราผ่านมาป่านนี้เนะี่ย เราก็ยัง yeah, ไม่ได้ทําอะไรเลยกับตัวเรายังไม่ได้ทําบุญไว้ไม่ได้ทําความดีเอาไว้เลยมันขาดทุนแล้วนะแต่ถ้าเราทําเอาไว้นั่นแหละคือสมบัติของเรานั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้มากก็ตามน้อยก็ตามถ้าเราทำบุญไว้นั่นแหละนั่นแหละคือของเรานั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้ บางคนนี้อยากรวยอยากรวยบนว่าอยากรวยทําหากินก็อยากรวยแต่มันก็ไม่รวยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราไม่ได้บริจาคทานเลยมันจะรวยได้ยังไงพอาะสมบัติของเราไม่มีมีแต่สมบัติของโลกมีแต่เข้าของเงินทองสิ่งมีสิ่งได้เหล่านั้น เป็นการสะสมเอาวัตถุของโลกนี้ว่าจะเอาไปได้มันเอาไปไม่ได้ ถ, ถำอะไรทำบุญทงอุตศลไว้เอาไปไม่ได้มันว่างเปล่ามันเป็นของคนอื่นสัตว์อื่นไปไม่เป็นของเราส่วนไหนที่เราทําไว้นั่นแหละคือของเราเราได้ส่วนนั้นเราบริจาคไว้มากก็ตามน้อยก็ตาม นั่นเป็นของเราถ้าเราได้ทักคินเนียที่ดีเป็นพระอรหันต์เราทำบุญน้อยก็ได้มากถ้าเราทำบุญมากด้วยศรัทธายิ่งมากขึ้นไปอีกอันนีสงฆยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกสูงส่งขึ้นไปอีกนี่แหละเป็นอย่างนี้ ถ้าเราไม่ทําไว้เราจะได้อะไรเราไม่ได้อะไรเลยตายก็ตายไปทรัพย์สิสนสมบัดกองพ้าเนินอยู่ในโลกนี้่ น, นู่นลูกหลานเขาใช้อย่างสบายไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไปคิดหาเงินหาทองหาทรัพย์สิสนสมบัตินั่นนี่ลดลาไม่ต้องไปหาเพราะมันมีสมบูรณ์อยู่แล้วเขาสบายดีแต่เราสอยากจนอยากจนยังไงเอา้าเราเกิด ไปเกิดในภพภูมิอื่นพอถึงความลําบากเนี่ยพ่อวุฒิกุศลของเราไม่มีเราก็ลําบากเราก็อยู่ไม่ได้คนทุกข์ทรมานอยู่ไปไม่ไหวอืแต่ก็ต้องทุกข์ก็ต้องทนเพราะเราไม่ได้สร้างกุศลเอาไว้เนี่ยไม่ไทําความดีเอาไว้เราจะ อ, าอะไรเป็นที่พึ่งนาก็เป็นที่พึ่งของเราไม่ได้สวนก็เป็นที่พึ่งของเราไม่ได้ ดินน้ำลมไฟก็เป็นที่พึ่งของเราไม่ได้อะไรทุกอย่างแกว้วแหวนแสน้เงินทองทรัพย์สิสนสมบัติมันก็ไม่ทำอะไรให้เราดีขึ้นเลยก็รู้ว่าแต่ว่าเออเป็นคนมีทรัพย์คนรวยแต่ว่าติดตามไปพบหน้าชาติหน้าได้ไหมไม่ได้ชาตินี้เรารวยก็จริง มีก็จริงแต่ชาติหน้าล่ะหรือพบต่ อ, ตอไปหมายว่าตั้งแต่เราหายใจยเดือนนี้แหละจนถึงวันตายนีย่สิ่งไหนเราได้ก็นั่นแหละเราทำไว้นั่นแหละนั่นเป็นของเราแล้วบางคนอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากเป็นแต่มันก็เป็นไม่ได้ พะไม่ได้ทำบุญไว้มันไม่เกิดเป็นพระก็ต้องทำบุญสร้างสมุน ม, มดีเป็นโยมก็ต้องสะสมหาทรัพย์สมบัติทำบุญทำกุศลไว้มันถึงจะได้ความสุขความเจริญถึงจะได้ความดีงามถึงจะพ้นความทุกข์ได้เราทำไว้เราสร้างไว้นั่นแหละคือของเรา เราทำสิ่งไหนไว้ฐานสิ่งไหนไว้นั่นแหละคือสม บ, บัติของเราที่เราจะเอาไปด้วยได้และสม บ, บัติเหล่านั้นถ้าเราทำไว้มันได้สม บ, บัติสวรรค์นะแม้ผละไม้ลูกเดียวไม่มีบุญอื่นก็ยังสามารถไปสวรรค์ได้อาจรยเปิดดูในพระไตรปิฎกเรื่องวิมานวัตถุเป็นหนังสือเล่มใหญ่ บันทึกกรรมสวนบุญที่เจ้าบางคนทำบุญไว้ให้ทานไว้เทียงผ ล, ลไม้ลูกเดียวยังได้ไปสวรรค์นั่นแต่ถ้าเราทำมากกว่านั้นโอ้ยมันก็ตกไปสิปัจจุบันนี่ก็บ้างมีชีสุเพราะอะไรเพราะเราทำบุญไว้บุญมันจะเกิดมันจะมี อันนี้แหละให้พิจารณาลงไปเรามีทรัพย์สินสมบัติมากมายก็ตามถ้าเราไม่ได้ทำบุญไว้บุญนั้นไม่ถึงเราเราทำมาค้าขายก็ไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่มีบุญถ้าเรามีบุญแล้วค้าขายก็ร่ำรวยทำอะไรก็ร่ำรวยเพราะบุญที่เราทำไว้จึงไม่ครประมาทในวัยไชีวิต เพราะคนเราจะมีเกิดมีแก่มีเก็ด ม, มีตายอยู่ธาตุสี่มันทนอยู่ไม่ได้ร้อยปีพันปีหรอกแตกสลายไปในวันหนึ่งก่อนที่เราจะไปจากโลกนี้เราต้องทําความดีไปให้มากความดีจะให้ผลแก่เราในปัจจุบันจนถึงแก่เท่าตายไปตายไปแล้วก็ให้ผลเป็นความสุขแก่เราในใจของเราใจของเราจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นอีก ได้เกิดเป็นเทพเทวดาอินผมโลมาเกิดไป้นก็เป็นคนร่ํารวยมีความสุขนั่นไม่ต้องดิ้รนคุ้นแคลอะไรแต่ว่าเกิดมีทรัพย์สมบัติมากมายร่ารวยขึ้นมาด้วยการทำอาหารกินทางที่ชอบนี่แหละมันก็เกิดสมบัติเหล่านั้นก็เกิดเพราะอะไรเพราะเราได้ทาบุญไวรนี่ในธรรมบทเนี่ยโอ้ยอธิบายไว้อย่างดีเลยน่าฟังทุกเรื่อง อเกี่ยวกับการที่คนสร้าง ส, สมคุณงามความดีไว้แล้วได้ความสุขความดีในปัจจุบันชาตินี้แล้วต่อไปชาณาพบนาก็ยิ่งตามไปให้ผลอีกให้เป็นความสุขอีกนั่นแหละอันนี้ว่าถึงคนยังอยู่ในโลกสงสารนี่ยังไม่ผลถูกุกแต่ถ้าคนพิจารณาเห็นกายนี้เป็นของแตกสลายตายดับ ที่นาหเห็นชัดลงไปอันนี้อันนี้ไม่ต้องไปเกิดในภพไหนภูมิไห น, น, นยุติการเกิดเลยถ้าได้เป็นพระอรหันต์ก็ยุติในการเกิดถ้าเป็นสัตระันยังเกิดอยู่เกิดชาติไม่ได้เกิดมากมายไม่ตกต่ำมีความสุขใครเป็นคนทำให้เรา ว่าเร า, ารเป็นคนทําเองพ่อแม่ทําให้ไม่ได้เราทําเองเราทําเอาเราสร้างเอาสร้างมนุษย์สมบัติแล้วก็สร้างเอาสวรรค์สมบัติแล้วก็สร้างเอานิพานสมบัติแล้วก็สร้างเอาอย่างเราทําอยู่ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้จะเขานิพานสมบัติคือฝึกที่จะให้ได้สมบัติในพระนิพาน อันเป็นความสุขแน่นอนฐาบวนมั่นคงส่วนความสุขในเทวดาดความสุขในมนุษย์อันนั้นก็เป็นผู้ยังยึดถืออยู่ผู้ยังปล่อยวางไม่ได้ถ้าผู้ใดปล่อยวางได้หมดความยึดความถือในกายในตัวในตในของเราเนี่รู้ชัดรู้จริงว่ากายนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แตกสลายไปรู้ชัดในใจแล้วก็วางความยึดความถือเ่านั้น ก็เป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระศรีธาคารบ้างเป็นพระนาคาบ้างเป็นพระอาหารหันต์บ้างนี่แหละเราทําเอามนุษย์สมบัติเราก็ทําเอาสวรรค์สมบัติเราก็ทําเอานิพพานสมบัติเราก็ทําเอาทําเอาสร้างเอาสะสมเอาซึ่งความดีความงามเล่านั้น เราก็จะถึงความสุขความเจริญเราจะได้สมบัติทั้งที่เป็นมนุษย์คือเข้าของเงินทองได้สวัสสมบัติคือมีความสุขในที่ประสบบัติมีวุฒมีกุศลให้ทำได้เท่าไหร่นั่นแหละของผู้นั้น นิพพานสมบัติเราก็ทําอยู่นี่ปวดแข้งปวดขาแล้วก็อดทนเอาเพราะอยากได้นิพพานสมบัติไม่อยากได้ทุกข์ในนรกเราทําเอาสร้างเอาแยกออกไปกายนี่อย่ายึดจะถือคําว่าไม่ยึดไม่ถือนี่เขานาร้อนมาลวกไม่ได้นะไม่ใช่งั้น เมื่อสมัยยังเป็นพระหนมอยู่อัตมาก็มีเพื่อนคนหนึ่งตอนดูเทป พ, พอวันเสาร์วันอาทิตย์ในที่วัดมหาธาตุเขาจะมีการจเจริมสลองเทศขายของอะไรต่างๆเราก็ไปชมไปดูไปซื้อก็มีคนหนึ่งบรรยายว่า อ, อะไรก็อนาตาหมดเลย ก็วตนอันนี้ก็เป็นหน้าตาหมดเฮ้ยมีคนทดลองเลยแบบนี er ้ก <rí> e> ็เอาหม lane, <as> ้อก๋วยเตี๋ยวเขาน่ยก็ไปเอาน้ําร้อนเขาเอาเครื่องตักร้อนของเขาแล้วตักมามาลดลดโยมคนนั้นน่ะชื่อว่าสไยแก้วสมเขาดําร้อนไปลนถเพราะท่านพูดเรื่องหน้าตาหมดเลยไม่มีตัตัวนสักอย่าง อืมอะไรก็อนัตตาอะไรก็อนัตตาอธิบายนั่นแหละทั้งวันอะไรอะไรก็ลงอนัตตามดเขาเลยเอาถ้าอย่างนั้นก็เอาเราล้วกดูมันจะเป็นยังไงกายนี่นจะเป็นยังไงแต่แกก็ไม่ได้หล่นนะเขาเอาน้ําไปราดก็แขนแกก็พองเลยแหละแต่แกก็ไม่บน่นไม่ว่าอันนี้เขาเลยก็ มันเกินไปนั่นมันเกินไปเพื่อนพาไปอยู่เรื่อยเลยเพื่อนที่ว่ากับมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เดือนนี่แหละอืมาปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันนี่แหละมันไม่ใช่ว่าใครจะเอาน้ำร้อนมาลวกมันก็ไม่เจ็บมันไม่ใช่มันก็เก็บเหมือนกันน่ะ ขนาดเราล่างนานเราก็จะเก็บก้นเก็บขาเราพอเรายัางยึดถืออยู่จะใครรั่วไม่ลืดถือแล้วจะเอาน้ำร้อนมารั่วมันก็โอ้ยมันก็แย่แล้วสิคนมันก็แย่ละมั น, นใช่คือให้เห็นความจริงให้เห็นสัจธรรม ไม่ใช่ให้เห็นอย่างอื่นถ้ายพิจารณาตัวตนไม่มีตัวตนแท้จริงที่เราจะยึดถือเอาได้เรารู้ชัดระวางได้ตามนั้นนั่นเราได้สมบัติพันนิพานเกิดขึ้นในใจเราไม่ตกต่ำตายไปก็ไม่ตกนรกนะได้ธรรมะเข้ามาใน ใ, นใจแล้ว เราจะสังเกตได้วาใจเราสบายเวลาเราได้นะใจเราสบายเฮ้สบายชั่ววันชั่วคืนนะสบายเป็นนานๆเลยสบายจนถึงสวรรค์ถึงขุมวโลกถึงนิพพานทันทีนิพพานังปละมังสุ ข, ขงังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราต้องปฏิบัติให้ได้ ทางวันนิพพานก็มีอยู่แล้วคือมรรคเปทางปฏิบัติที่จะถึงวันนิพพานอย่างเราหัดเรืยนนี่ก็อยู่ในมรรคเปคือหัด ส, สมาธิสติปัญญาเราหัดปฏิบัติตามมรรคเปอยู่เราก็สามารถพ้นทุกได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทุกอันนี้ต่อไปถึงความสุขความเจริญสูงส่ง กันทุกคนสาตุ